ขอความสุ ข, ขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธารชนทั้ทงหลายวันนี้จะแนะนำเอาพระสูตรที่พระพุทธเจาสอนโยชนสอนเด็กๆนะแต่ว่าเป็นการสอนแก่สามเณรเดยเฉพาะวิธีการสอนเนี่ย มันก็ใช้ไปหลากหลายอุปมาอุปไมมีตัวอย่างมีนิทานมีเครื่องมือในการประกอบการสอนเพราะว่าตัวตรมเองนั้ น, นเป็นนามธรรมการสอนจำเป็นจะต้องใช้สื่อที่เป็นรูปธรรมในรูปธรรมนั้นเราก็ต้องใกล้ชิดหมายความว่า คนฟังจะต้องมีพื้นฐานการรับรู้ในเรื่องเหล่า น, นั้นได้ง่ายคิดได้ง่ายแต่เมื่อเวลาสถานการณ์เอกเนรรียนแคลยปัจจัยต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปเราต้องใช้สื่อร่วมสมัยกับคนในยุคนั้นเพราะในเครื่องเครื่องมือในการสอนยุคนั้นบางอย่างมันก็นำไปใช้ญาติ แต่บางอย่างก็คงนำมาใช้ได้ง่ายล้วเกี่ยวขอ้องกับชีวิตของบุคคลดูตัวอย่างเช่นเอามาเป็นอุปมาได้ยากในปนัจจุบันพูดว่าบาปย่อมติดตามคนไปเหมือนล้อกเกวียนติดตามรอยเท้าโคไปพูดยากแล้วยิ่งผูก้ก็เดกก็ยิ่งไปกันใหเลยผกะเด็กทุกวันนั้น คนใหญ่มันก็ยังไม่เคยเห็นเกวียนแต่ยังมเอ็นโครากเกวียนมันก็ติดยังไงมันมีปัญหายัางไงมราต้องไปนั่งดูกันแต่สำหรับคนในยุคพระพุทธเจ้ามันก็ง่ายพูดปรับก็เข้าใจปุ๊บทันทีคําสอนในแนวนี้เราจะพบว่าทรงใช้มาตั้งแต่ต้นนะต่ต่อมาเทศนาเองก็ทรงใช้ถนน มจะเรียกมกกัดก็คือถนนอนัสตะลักตะสูตรก็ทรงใช้ขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอธิตะปริยาสูตรก็ใช้ไฟจะเห็นว่าจะจะมีตัวอย่างาอย่างนี้ได้เลยแต่ยิงไฟมันไม่ใช่กิเลสมันมีลักษณะอย่างหนึ่งที่เทียบกับกิเลสได้คือร้อน แต่ไฟเราใช้ในกรณีอื่นด้วยนะฮะใช้ในกรณีธรรมะด้วยจนใช้ในกรณีสว่างเราก็ใช้ในกรณีของปัญญาแต่การเผาผลาญ น, นั้นก็ใช้ได้ทั้งสองแนวนะฮะเราะจะพบ ว, ว่าไฟเนี่ยมันเผาทําลายสิ่งที่ดีก็ได้สิ่งที่ไม่ดีก็ได้ไปใช้ทั้งสองแนวคือใช้เผาผลาญกิเลกก็ได้เรือไฟคือใหญ่ เขาทำลายความดีคนดีก็ได้น ะ, ะก็หมายถึงกิเลสวิญญาณก็เป็นธรรมะกิเลสมันก็เป็นเป็นกิเลสที่ใช้ได้ทั้งสองแนวอุปมาณนั้นจะหยิบเฉพาะกรณีใดกรณีนนหนึ่งไม่ใช่เอาทั้งหมดหัะขยัไปคิดทั้งหมดคิดทั้งหมดก็ยุ่งเลยเพราเป็นเพียงอุปมาแล้วก็ดึงเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสมับเรื่องเหล่านั้น ท่านหลายก็ทราบแล้วว่าราหุลราชกุ ม, มารเนี่ยก็ไม่เคยเห็นพ่อนะฮะว่าระสูตรมาถึงวันนั้นกระชายสาก็เสด็จออกพนวดไปเลยตอนเสด็จกลับมาที่กรุงราชคฤห์คือในตำนานเนี่ยบอกว่าราหุลเจ็ดขวบ เอามานับแล้วนับอีกวันมั น, ม, นมันไม่ใช่เจ็ดอะ่ะมันน่าจะเป็นเก้าอ่ะนะแล้วล้วก็สรุปก็เด็กกันะพราะว่าพเจ้าเสด็จไปเนี่ยหกปีแล้วก็เผยแผ่ศาสนาอยู่อีกประมาณสองสามปีนะฮะจึงึึงเ ข, ข, ข้ามาที่กรุงราชคฤึ์แลวไม่ใช่เข้ามาที่กบินลบพัด ก็านางยโสธราพิมพาในช่วงแรกเนี่ยไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเสด็จครั้งแรกก็ไม่ได้ยอมเข้าเฝ้าก็งอนนิดหน่อยก็เลยก็ทรงลาหุนรา้กลุ่มมาให้มาขอราชสมบัติแต่ก็ชี้ให้ลูกดูทางหน้าต่าง น, นนะฮะวันนั้นนะคือพ่อที่เดินเด็กกหน้าสมคือพ่อ ก็ให้ไปขอราชาสมบัติในฐานะที่เป็นราชายาดกระหุนก็ไปขอแต่พอไปถึงเนี่ยมันมันรู้สึกอบอุ่นมันรู้สึกเชือเก็นมันรู้สึกสบายไอ้แกก็บอกว่าร่มเ ง, งาของพระองค์เย็นดีจังก็เลยก็เพลินจ้อไปเรื่อยๆนะคุยไปเรื่อยๆแต่เสร็จแล้วก็ขอสมบัติ พระเจ้าก็ทรงเห็นว่าตอนนี้พระองค์เป็นรลคุธเจ้านะไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นสิธิฐานราชบุ ม, มาสมบัติของพระองค์ก็คือโลกุตราชสมบัติมันไม่ใช่วัตถุสิ่งของหรือตําแหน่งความเป็นพระเจ้าแผ่นดินอาราชราชสมบัติทั้งหลายอันนี้มันก็สืบเนื่องมาจากตอนพระเจ้าประสูติมันมีขมทองเกิดขึ้นในสีท่ทิศเพื่อใช้ในกิจการของพระเจ้าจากักรพรรดิแต่ตอนเสด็จออกขนวกก็ยังอยู่นะ แต่วันจะสรุปปัญหาไปหมดเลยก็แสดงว่าไม่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วนะฮะแต่ของนี้มันเกิดด้วยบุญของพระองค์เมื่อพระองค์ไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็แสดงไม่ต้องใช่ของก็หายไปนางเยโสราก็ต้องการจะให้ได้สมบัติเหล่านี้กลับมาพระเจ้าก็เห็นว่าถ้าจะมอบสมบัติเนี่ยเราหุนขอสมบัติมันก็ต้องให้โลกุตระสมบัติ นั่นคือมาผลนิพานก็รับสั่งให้ภาษาที่บุตรออกไปบวช ก, ก็ทบกะเทือนเรื่องยาวนะฮะเรื่องยาวการบวชพระราหุลครันงนั้นก็เป็นการบวชเด็กขั้งแรกแล้วก็เด็กอามากๆไปด้วยพเจ้าสุโทธทนะนั่นตกพระไทยเสียพระไทยากเพราะว่าเป็นการบวชหลังที่ประนบนบวช เมื่อพระนรนบวชบางคนนึกว่เออยังมีรัชชายาสอีกองหนึ่งเป็นไรอะ่ะไม่ทุกไม่ถูกมานัดมากพอก็าา ร, ราชนัดดาบวชตะเพเงื่อนทีนี้ไม่มีหลานเหลือไม่ไม่มีผู้ชายเหลือเลยนะะในในในสายของพระพุทธเจ้าก็เหตุเนี้ยที่ทําให้พระยาสุตโทรธนาขอพอรว่าทีหลังจะบวชลูกใครนะให้พ่อแม่เขา อ, อนุญาตซะก่อนจะบวชกันจะยุ่งอย่างงี้ก็ลำ บ, บากกันนะฮะ แล้ในในที่สุดในการต่อมาเราจะเห็นว่าคนที่เขาบวชเนี่ยภูปาาัญญะเอกรมจ า, าจะต้องถามอนุ ญ, ญาโตสิมาตาปิตุสีพ่อแม่อนุญาตหรือยังมาญาติบวชได้ยังแกก็ต้องบอกว่าอนุญาตแล้ว่นะแต่ยังไม่อนุญาตก็บวชให้ไม่ได้เพื่อไม่เป็นการทําลายความรู้สึกในตอนต้นๆของพ่อแม่ตอนปลายนะไม่แปลกออก ตอนปลายไปจะไม่จะไม่แปลกอะไรเลยเพราะแม่อาจจะรู้สึกโทรธนะเสียใจเพราะว่าความคิดแบบบ้านๆนะะอย่างเดียวใช่แต่เมื่อลูกไปบวชไปจเจริญก้าวหน้าเป็นที่เคารพนับถือสักการะของบุคคลทั้งหลายจะถึงเป็นพระอิมพุคลนใดๆเนี่ยมันมันมันเทียบกันไม่ได้นะฮะการที่ลูกเป็นคารวะเนี่ยลูกเป็นคารวะมันคงจะให้เฉพาะวัตถุสิ่งของแต่ว่าก็ให้ธรรมะระยาก ราหุนรากมานผบวชแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลทางประวัติศาสตร์คือคือคือท่านก็ช่วยอะไรได้เยอะนะพ ร, ระสารีบุตรท่านก็มีสามเณรราหุนเป็นเน็รให้ดูแลแต่ว่าม้องมีวินัยขวางอีกข้อหนึ่ง ค, คือห้ามพระนอนร่วมห้องเดียวกับอนุปสมบันพูดง่ายๆว่านอกจากพระนะฮะ นอกจากพระแล้วนอนร่วมห้องเดียวกันไม่ได้แต่พอเป็นเนรมันก็ไม่ใช่พระแต่ไม่ได้มีกุติไว้ให้เนรไม่ได้เตรียมตัวเรื่องนี่ยไว้พระก็กลัวอามปัดก็กลัวนะะเป็นห่วงเนนก็ห่วงไม่จะทำยังไงก็ไม่กล้ากราบทูนพระพุทธเจ้าตอนลงในคืนนั้นคืนบวชวันแรกนะะเนรราหุลต้องนอนในในห้องน้ำํำในห้องส้วงมพูด ง, ง่า ย, ยางั้นนะของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่า เสด็จไปก็กระแอมเป็นธรรมเนียมการเข้าห้องน้ำของพระเนี่ยต้องกระแอมก่อนหรือว่ามีใครมอยู่ข้างนอกมีอยู่ข้างในก็จะกระแอมตอบพระหุ่นก็กระแอมตอบถามว่าใครมาอยู่กันไนเนี่ยจริงๆไม่มีใครใช่ร่วมมนาะกับพระุธเจ้าพระหุ้นก็นพูดในสงสารพระเจ้าต้องประชุมสง้รับสั่งถามที่ประชุมว่า เมื่อคืนเราหุ่นนอนที่ไหนไม่มีใครรู้อ่ะแล้วก็รับสั่งเล่าัางวันนี้พวกเราไม่ได้เอาใจใส่กันคุณรลบุตรก็ศรัทธาเล็กๆมาบวชเนี่ยพวกเธอไม่เอาใจใส่กันนะจะทำไงก็ด้สุขก็ตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาให้เนร เ, เนี่ยมีพระดูแลดูแลมันก็ดูแลเด็กๆนะฮะดูแลรับผิดชอบอเป็นอาจารย์ แต่ปัญหาเรื่องที่อยู่เนี่ยคงเป็นปัญหาเพราะเรียกรายเงินมันไม่ได้เรียกรายกันอย่างสมัยนี้นะมันอยู่ที่ชาวบ้านก็สร้างเวายไม่สร้างก็งไไแล้วไปพ้ะก็ต้องปรับตัวอยู่ได้มีที่อยู่ก็อยู่ไม่มีที่อยู่ก็อยู่ตำคนมาไม้ตำท่ต ำ, ต ำ, ต, ำตำเขาตำลำฟางาบ่าไปเรื่อยแต่ว่าเอาเนรมาอยู่อย่างนั้นไม่ได้กนะันในที่สุดก็ให้เนรเนี่ยอนุปสมบัติก็อยู่ร่วมนอนห้องเดียวกับพระได้ ไม่เกินสามคืนมันก็คงมีปัญหามันแก้ปัญหายัางไม่ได้ต่อลงวันในสามคืนหนึ่งคืนที่สามะคืนที่สองเนี่ยให้ลุกขึ้นแต่องค์หนึ่งออกไปอยู่ข้างนอกแต่องค์หนึ่งเดี๋ยวก็นับเบินกันใหม่อันนี้ก็คือวิธีแก้ปัญหาของพระเจ้าแก้ปัญหาสังคมไปนะะทีนี้ราคุณเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดมากทาตื่นเช้ามาทุกวันเนี่ยท่านกอบทาย นั่งเล่นก็กอบทรายนะเด็กเจ็ดแปดขวบ9ก้าขวบขนาดนั้นนะกอบทรายขึ้นมาแต่กอบทรายอธิษฐานนะฮะว่าในวันนี้ขอได้รับคำโ oh, อวาสสั่งสอนจากพระพุทธเจ้ากับอุปชาจากอุปชาจากะเริระเนี่ยเท่ากับมเมล็ดทราย อ, อยากฟังเป็นคนสนใจอยากฟังอยากเรียนพระตถาจารย์ท่านบอกว่าหนามันแหลมเองคือมันแหลมโดยธรรมชาติแหลมตามพ่อนะครับลกพอ แหลมตามพอเป็นคนสนใจตั้งแต่เด็กเหมือนพรนะพุทธเจ้านะครับทราจก็นั่งสมาธิตั้งแต่เด็กเป็นน้าแหลมเองโดยธรรมชาติเพราะในวันในแต่ละวันในท่านจะต้องฟังพระอาจารย์เทศทางก็ไปฟังพระอารที่บุตรสอนนะกูฟังแต่วันหนึ่งในพระอาจารย์เสด็จไปเยีะเพราเห็นว่าเด็กรุ่นเนี้ยชอบโกหกอ่ะก็เด็กๆนะไม่ก็ชอบโกหก หลอกพ่อหลอกแม่หลอกญาหลอกยายได้แล้วสง่ามากเลยแต่ยายก็ชอบไป ห, หลอกกันไพวกญาติพวกยายก็ชอบไปลูกหลานหลอกหลอกแล้วเก่งแนละ้วไปเล่าคนอื่นด้วยแต่ในที่สุดพระเจ้าเสด็จไปท่านท่า น, ท, านท่านพักอยู่ที่อัมพรัติกามันเป็นเรือนที่ก็าต อ, อกไปแล้วก็บําเพ็ญเพียรในที่นั้นนะ่ะอยู่ที่นั้นพระเจ้าเสด็จไปพอเราหุนก็ ที่บอกมาตอนรับแล้วก็เอา น, น้ามาล้างพระบาทคือธรรมเนียมเมื่อก่อนเนี่ยนะว่าที่กุฏิเนี่ยจะต้องมีที่ที่ล้างเทาง้าไอ้เงื่อนไขทางวินัยมันมันมันมั น, ม, นมันต้องต้องมีความเปร่อเนื่อ ง, งนะฮะเราจะเห็นว่ามันมีวินัยอยู่เรือนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่รู้แล้วพระเองก็ตามใจชาวบ้านนะะ เวล า, าจารย์บางรูกที่ดังๆนะฮะมั่งลูกจิตก็เอาผ้าขาวมาปูยังเป็นแถเพื่ออาจารย์เหยียบแล้วไปกราบกันมันโง่ไม่รู้เรื่องจริงๆเลยจะหายโง่กันมั่งกันไม่รู้แล้วในที่สุดพระนี่ต้องอาบัตรนะก็ห้ามเหยียบที่นายก็ห้ามเหยียบผ้าขาวที่ก็ลาดเอาไว้ทีนี้วัตถุประสงค์ก็คือหนึ่งไม่ต้องการให้เปื้อนนะฮะแล้วก็สก็คือ ก็อาจจะอธิษฐานอะไรเอาไว้ต้นเหตุมันก็มาจากการอาธิษฐ า, านขอลูกนะฮะการขอลูกแต่พุทธเจ้านั้นมองในแง่ของการทำผ้าให้มันแปดเปื้อนเสนาสนะให้แปดเปื้อนแล้วมันก็ต้องมีการล้างเท้าเดี๋ยวนี้เราเสังคมไทยเราก็เป็นอย่างนั้นนะเมื่อก่อนพระไปบ้านก็ล้างเท้าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยล้างกันบะทีจะพระเดีว ไม่สวมรองเทา้าก็เกิดมีปัญหาไม่มีคือว่าไม่สวมรองเท้าเนี่ยนะะมันก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของวินัยแต่จะมีปัญหาตอนขึ้นบ้านอาบัตมันเท่ากันนะอาบัตตัวเดียวกันเลยไอ้ข่าวมาทำเสนาสนะสูงให้แปดเปื้อนถวัลสนะแตกเปื้อนก็ปรับประบาด ท, ทุกกฎสวมรองเท้าก็ปรับประบาด ท, ทุกกฎก็ก็เหมือนกันฮนะไม่ต้องอีกตัวหนึ่งก็ต้องอีกตัวหนึ่งไซึ่งไอ้ข่าวมาจุดเนี้ยชาวบ้านต้องรู้ เราก็จะแก้ไขปัญหาตอนนั้นให้อย่างน้อยที่สุดก็ผ้าชุปน้ําเปลือกผ้าแล้วเช็ดเดท้าจะหน่อยเราจะล้างให้หน่อยก็ดีนะฮะถ้ามีที่ล้างไว้ก็ไม่ต้องล้างให้หร อ, อกเราล้างเองได้แต่ธรรมเนียมการล้างเท้าต้อนึกออกนะตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระปัญจวคีก็เตรียมน้ำล้างเท้าวไว้เห็นนหะเป็นธรรมเนียมโบราณมันไม่เป็นไไมม่่ใช่เป็นธรร ม, ม เ, น, เ น, นียมเฉพาะขุนเป็นธรรมเนียมโบราณเลยว่าผู้ใหญ่มาเนี่ยกูน้อยต้องล้างเท้า แต่จริงๆแล้วท้าพรามเนี่ยนวดเท้าด้วยนะฮะล้างเท้าให้แล้วเช็ดเท้าให้แล้วไปถึงเอาน you get, you ities, kingdom, lost, you ้ feet, lost, benefit, Aww, learn, so ําม so ันทาเท้าแล้วก็นวดเท้าอ่ะแล้วไหว้เท้านะฮะไหว้เท้าพรามณนี่เ้านับถือมากก็ไหว้เท้าเลยเยบาทอาจารย์บาทปาทะนะเท้าน่ะแต่กราบบาทอาจารย์ทุกวันก็ยังว่าอยู่นะโอโหอินเดียเอ่อคนไทยเราก็ไหว้นะในกรณีที่เขาโลกนับถือมากๆก็ไหว้เท้าเหมือนกัน ผู้เจ้าก็ใช้น้นําำมแหละนะใช้น้ํา ท, ที่ที่ที่ปราหุ่นนั่นล้างเท้าแล้วก็หยิบกระลากระลาที่ที่ปราหุ่นั้นใช้ล้างเท้าเนี่ยก็มาตักน้ําแล้วก็เทเทเหลือเหลือครึ่งหนึ่งอะ่ะตามปลาหุ่นดูซิมีอะไรอยจะในนี้ปลาหุ่นกูมีน้ําน้ําเท่าไหร่มีครึ่งหนึ่งใช้ประโยชน์ได้ไหมใช้ประโยชน์ได้น้อยนะฮะแต่เห็นว่าน้ำมันนิดเดียว พะเจก็รับสั่งว่าเราคุณคนเราก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าพูดเท็จทั้งๆที่รู้คือพูดเท็จแต่มันมีสองอย่างอย่างหนึ่งพูดเท็จทั้งๆที่รู้ว่าเท็จเลยนะเราจะตอบรับหรือว่าเราจะพูดกับเขาหรือเขาพูดกับเราแล้วเราก็พูดออกไปทั้งๆที่มันเท็จเรารู้มันเท็จเราก็พูดออกไปเขาเรียกว่าสัมปชานมุสาวาตอันนี้ก็คือจงใจ จึงเทศเลยนะคะหมายควา ม, มาตั้งใจเทศมาตั้งแต่แต่ต้นเลยนะฮะจิตใจก็ชั่วร้ายก็แล้วแต่มันจะเทศขนาดไหนคนะือผลของคําคําพูดเทศเนี่ยมันอยู่ที่กระทบคนอื่นแรงขนาดไหนนะแสดงมากก็ถือว่าเทศมากนะฮะเป็นเป็นเป็นบาปมากดังนั้นอุตริมนุ ษ, ษธรรมจึงถือว่าเป็นเทศที่อันตรายที่สุดปันหลอกลวงมนุษย์หลอกลวงเทวดาหลอกลวงทั้งหลายหลอกลวงหมดเลย แต่ทำให้คนหลงผิดเข้าใจผิดปฏิบัติผิดมั่วหมดมันเป็นมรดกบาป ท, ที่จะเผยแพร่ออกไปไอ้คนนั้นตายแล้วเนี่ยแต่ความเลวร้ยรายเหล่านี้ยังเป็นมรดกตกทอดอในสังคมคนยังถือตามปฏิบัติตามกอยช่วยนำคนก็ลงนรกกันเยอะแยะไปหมดเลยวันจริงถือว่าเป็นบาปมากๆอุตริมนุษย์ทำ หรือว่าการเป็นเท็จแต่ก็ใส่ความคนอื่นให้ร้ายคนอื่นจนต้องติดคุกติดรางจองจำํำอันนี้ก็รองๆล ง, ล ง, ลงมาแต่จะเพราะว่าตรงนี้มันความทุกข์มันไม่ได้ยืดเยื้อะขนาดนั้นนะไม่ได้ยืดเยอะขนาดนั้ น, น, เ, ข น, น, นเขาก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้นมาจากทุกข์ได้าจากจากการติดทุกได้แต่ว่าอุตริมนุษธรรมที่อวดคุณพิเศษของตัวเองแล้วก็สอนเพียเพ้ยนๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันเป็นโมโดกัา คนอื่นจะต้องรับถ่ายทอต่อกันไปโง่ๆไปเรื่อยๆนะหลายชั่วคนคำสอนเทวทัศนที่เหลืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็คนก็ปฏิบัติปิดหลงปิดกั 2, ะมาณสองพันกว่าปีนะทำไมจะไหวไงเพราะงั้นตรงนี้จึงบาดมากพระพุทธเจ้ า, าเป็นสุดยอดของมหาย์เทศจงใจเทศแล้วก็เทศเพื่อประโยชน์ของตัวเอง่ายเดียวเลย คนอื่นจะเดือดร้อนจะพิบัติจะเป็นอันตรายจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เอาไว้ตัวเองได้ใหญ่ได้โตได้ลาบสักการะได้ชื่อเสียงมีคนกระลอนังสือก็แล้วกันอันนี้ก็เท็จทางทางที่รูเรื่องใหญ่นะฮะท่านจะเห็นว่าในสังคมข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเป็นเรื่องต้องกลุ่มผลประโยชน์ ที่ต้องการจะใช้ข้อมูลข่าวสารของตัวเองในแสวงหาประโยชน์จากคนที่ฝังรับข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นก็รางนันเรื่องเ ท, ท็จจึงเยอะหลายคนในปัจจุบันนี่ส่วนหนึ่งเนี่ยเท็จต้าตะหน้าเฉยตาเฉยเลยโอ้มันแปลกจริงๆเลยเรื่องน่ากลัวมากพูดเท็จตาเฉยตาเฉยไม่มีความกระดาษไม่มีทิริโอตปะอะไรอยู่เลยเป็นเรื่องน่ากลัวจริงๆว่าคนเหล่านี้มันมันก็ชีวิตจะอยู่ตลอดไปจะยังไง มุสาวาทเนี่ยฮะนำไปส่วบายได้ลําพังเขาเลยเนะี่ยแต่นั้นยังทรงแสดงว่าคนที่พูดเท็จเนี่ยนะเรื่องจะไม่ทําบาปอย่างอื่นไม่มีเลยเพราะว่ามันก็พร้อมที่จะใช้คําหยาบพร้อมที่จะหลอกลวงพร้อมที่จะสนต้มสนคนพร้อมที่ยุไอ้คนทะเลาะ ก, กันมันมันเท็จทางนั้นเนี่ยนะฮะพวกนี้มันเท็จทางนั้นเนี่แล้วก็ในที่สุดเอเดีย มุสาวาตอีกคำหนึ่งก็เรียกปฏิสวาปฏิสวาหมายความไม่จงใจมาก่อนไม่ตั้งใจมาก่อนแต่ก็รับคำไปแล้วตกลงแมตไมายไปแล้วให้ปฏิญญาณไปแล้วแต่ว่าหลังไม่ทําไม่ทําตามนั้นนะนะแต่ไม่ได้เจตนาเดิมเป็นเจตนาที่เกิดขึ้นมาใหม่ไอ้นี้ท่านถือว่าเป็นมุสาวาตแต่ว่าไม่ได้เจตนาเดิมนะเกิดเคื อ, ค อ, คอ โทษบางคนลดลงมาถ้าเป็นพระในท่านปราบบา ป, ปทุกคนถ้าเป็นชาวบ้านเองก็ถือเป็นมุสาวาทที่มีโทษน้อยกว่าประเภทแรกนะฮะเพราไม่ได้จงใจเรื่องบาปกรรมอย่างที่เคยบอกกบาปหรือบุญก็ตามนะฮะมันติดอยู่ในวัตถุเจตนาและก็ความพยายามในการทําถ้าเจตนาแรงนะฮะวัตถุที่เราทําเป็นเรื่องเสียหายมากก็ความพยายามมากบาปมันก็มากหรือบุญก็มากเหมือนกันนะนะฮะ เราจะเห็นว่าอย่า ง, า ง, างการบรรลุมรรคผลการได้บังเกิดเป็นพรหมการดเดินสมาธิในความพยายามมากนะเจตนาต้องแรงความพยายามมากเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เพราะต้องต่อสู้กิเลสพัฒนาจิตใจจนสามารถสงบมิวนได้เราผลมัน ก, ก็ดีนะจนถึงบรรลุมรรคผลนี่พันความพยายามก็มากเจตนาก็แรงวัตถุก็ใหญ่เรื่องใหญ่ผลบุญผมก็ส่ก็มากเพราะาคำนี้จึงใช่กลางๆนะเป็นเกณฑ์กลางๆคือดีก็ได้ชั่วก็ได้ แต่วผลมันจะมากเลยกันทั้งสฝ่ายทั้งบวกทั้งลบนะบก็เหมือนกัตรเหมือนกันทํางานนะนะฮะขยันมากมันก็ได้เงินมากนะขยันน้อยมันก็ได้เงินน้อยธรรมดาอยลี้ยกล่อมากยังไม่ได้เลยเลยเ อ, อเสร็จแล้วรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยคนนิมุสาวาทเนี่ยเหมือนกันน้ําที่ที่มีเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ แล้วในสุดก็ส่งเทหมดเทหมดนะน้ำที่เหลืออยู่เทหมดไปถามราหุลในกาลานี้มีอะไรบอกว่าไม่มีน้ำนะเจ้าบอการาหุลเหมือนกันนะคือคนที่พูดเทศนะมันเหมือนกันน้ำาดีเขาสาด ท, ทิ้งไปแล้วมไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นคนพูดเทสเนี่ยจะไม่ทมบาพไม่มีเธอจะต้องสารวมระหวัง คิดเกี่ยวกพูดเทนะ็จเสร็จแล้วก็กะลาความดีได้กระลาดเดียวนะสอนสามสอนสามช่วงเลยโอกะลาความดีเนะีกเที่ยวหนึ่งก้าวเหมือนเดิม น, นะแล้วขุนในกะลานี่มีน้ํำไหมไม่มีน้ำนะแล้วกลับมาที่เดิมเหมือนกันว่าเนี่ยคนที่มุสาวาตพูดเท็จทั้งทั้งที่รู้เนี่ยมันก็เหมือนกับกะลาที่ก้าวข้อดจแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์นะเขาไม่ใช้ประโยชน์ ก็เป็นอุปมาเจ้าก็ช่วงนั้นนะฮะกระลากร่ำใจจริงเราก็หงายขึ้นมาได้ไมันใช้ได้แต่ว่าเป็นอุปมาให้เด็กเขาเห็นในตรงนั้นในขณะนั้นว่ามันไม่ได้ประโยชน์มันกักน้ําไม่ได้มันเก็บอะไรไม่ได้แล้วนะมันคว่ำใจแล้วอันนี้ก็คือมันเหมาะสมสอดคล้องกับกรณีของของเยาวชนหรือของเด็กนะเด็กแกก็ชอบโกหกชอบนะฮโกหกแลก้ว ก, ก็ก็รู้สึกแกโก้แกด้วยแกเก่งไปด้วยนะ โดยเฉพาะคือเด็กยุคยุคใหม่เนี่ยมันมันมันรับรู้อะไรได้เร็วบางทีคนแก่ก็ถูกต้มได้เรื่อยๆนะคนุณย่าคุณยายคุณพ่อคุณแม่ก็โดนเด็กต้มได้เรื่อยๆก็ก็ที่จริงก็คงเป็นคงเกวียนคงตา ม, มาเราก็เคยต้มคุณพ่อคุณแม่มาเยอะแล้วเหมือนกันก็ชดใช้กรรมกันนชดใช้กรรมกันไปเรื่อยๆเพราะเด็กก็เป็นอย่างนั้นนะฮะธรรมชาติเขาเนี่ยแลยเขาจะรู้สึกภาคภูมิมากที่สามารถต้มได้นะสามารถหลอกได้สามารถทําให้เข้าใจผิดได้ เป็นการสอนเพื่อจะป้องกันเด็กไม่ให้เริ่มต้นตีโกหกเพราะถ้าจุดเริ่มต้นที่โกหกเด็กมันทำความชั่วได้หมดทำแล้วก็ปกปิดไม่สา ร, รภาพไม่รับเพราะมันชินกับการโกหกเนี่ยชินการโกหกในสุดจิตใจมันกระด้างเกินไปเรื่อยๆเก่งกล้ากันไปเรื่อยๆคนเรานี่ผิดได้มันไม่ใช่ผิดไม่ได้สามัญชนทุกคนผิดได้ใช่ไ แต่ข้อสำคัญว่าต้องยอมรับว่าผิดก็ถือผิดแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงตัวแก้ไขตัวเองนะอย่างที่ชาวบ้านสมาทานศีลไปแล้วไปละเมิดศีลก็สมาทานศีลใหม่พระเองบวชแล้วก็ไปละเมิดระวินยัยนกะ็สารภาพความผิดก็พยายามจะปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองนะไม่ใช่ว่านิ่งๆมันเปิดปุ๊บติตปั๊บอะไรอะ่ะมันก็แก้ไขกันไปเรื่อย ทีนี้ถ้าเรารู้วความความผิดมันเป็นความผิดแล้วก็สารภาพตามความจริงนะครับอย่างที่เคยยกตัวอย่างพวกพระก็ เ, เรียกว่าอาธิกามิกาคือต้นเหตุของความผิดในสมัยพุทธกาลที่ดีมากที่น่านับถือมากๆคือถามอะไรมารับสารภาพหมดเลยทำผิดทําชั่วอะไรแต่รับหมดนะฮะไม่มีปกปิดรับหมดเลไอ้ที่พวกง่ายนะครับพูดกันง่ายเข้าใจกันง่ายทีนี้ถ้า ถ้าเธอไม่ยอมรับผิดเนี่ยเธอจะแข็งเก้าวขึ้นไปเรื่อยๆแต่บางทีมันเป็นประจักษ์ปยาญาในสุตรพูดพระาเธอโกรธนะฮะเธอจะโกรธเธอจะโกรธเธอจะเก้าร้าวเธอจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นในสุตจะพูดกันไม่ได้แล้วก็มองเราเป็นตัตูมองเราเป็นคนําเอียงมองเราเป็นขาดความไม่ตาดั่งตาว่าเลยนะฮะความความไม่ดีทั้งหลายมันโยนให้ผู้ใหญ่แป็นที่จะรับเนี่ยเราแก้ไม่ได้แต่นั้นในจุดนี้เป็นวิธีการ แล้วทุกเรื่องไงนะฮะหมายความว่าไม่ใช่สอนเด็กเจ้าพ mm ่อสามเนีเราหุ่เป็นตัวอย่างในการสอนเด็ ก, ดกแล้วก็ผู้ใหญ่ก็คือการนั่นนะฮะผู้ใหญ่ก็ยังโกหกก็ก็มีอยู่เพราะงั้นก็มองในแนวนี้ว่าถ้าโกหกก็เหมือนกับน้ํำนิดหน่อยที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้หรือเหมือนกับผาชนะที่ก็สาดน้ําทิ้งไปแล้วนะฮะถูกทิ้งนะฮะเป็นคนที่ถูก หรือเหมือนกับภาชนะที่เ็าข่อมไปแล้วอทำนองแค่กะเด็กติ้งแกะที่ถูกผู้ใหญ่เ็าิ้งแล้วโดนโกหกก็สองสามครั้งเลยไม่ช่วยหมาป่าก็กินแกะหมดที่จริงตัวตัวอย่างเหล่านี้เยอะน ะ, เ, ะเราไม่คิดในแง่ที่มันเป็นคติธรรมเพราะการสอนในแนวคติธรรมเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกระส่งของไปต่างประเทศนะฮะมันต้องมีเครื่องหอ่อเครื่องุ่มของมาอยู่ข้างใน แต่เราก็ไม่ยอมบอกออกมาก็เลยก็ไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นจริงๆวิธีการถ่ายทอดวิธีการส่งสิ่งทั้งหลายของโบราณเน่ยท่จะท่านจะใช้มันในสาะนั้ น, น, นคือจะฝ า, ากมาในนิทานนี่เยอะฝากมาในคติธรรมในสุภาษิตในบันเทิงเรื่องรวมต่างๆในบุคลิกภาพของตัวละครเนี่ยนะฮะบุคลิกภาพของตัวละครในวรรณคดีทั้งหลายเนี่ยนะฮะถ้าเราลองไปกลับอ่านวรรณคดีใหม่ แล้วก็คิดในแง่ที่เป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมที่คนรุ่นปุยญาตายายท่านให้ไว้นะครับอย่าลืมว่ามันไม่ใช่มาตรงนั้นนะจริงจริงมันมาจากคัมภีระพุทธศาสนาแล้วก็ออกมาย่อยมาไอทีมาเป็นฉดเป็นฉดกเรื่องราว ต, ต่างๆเป็นนิทานบรรเทิงเรื่องลมเป็นต้นเหตุของจากจากวงวงอะไรแต่ในนี้เข้มาแล้วเราก็ไปติดในตรงนั้น ไม่ได้ไม่ได้มองว่าจริงๆแล้วท่านสะท้อนธรรมที่เป็นรู ป, ปรธรรมเพื่อให้บุคคลนำไปเป็นหลักในการำดำเนินชีวิตเรียกว่าลีลาชีวิตถ้าใครไปถือตามปฏิบัติตามในในความดีงามที่คนเหล่านั้นก็กระทำนะฮะเช่นการเป็นปัญญาที่ดีแบบนางมัตรีการเป็นลูกที่กระตัญยูแบบกันหาชานีการเป็นสามีที่ดีอย่างพระเวทันดอน การเป็นพ่อที่รู้จักการให้อภัยต่อลูกอย่างเท้ากรุงสนชัยแม่ที่รักลูกอย่างพระนางปุษดีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะะมันมันมันมั น, ม, นมันก็ไม่ใช่ธรรมดาสักเรื่องหนึ่งนะฮะจะเรืร่องธรามดา ท, ท, ที่ที่จริงมันสะท้อนอะไรเยอะสะท้อนอะไรใหญ่เยอะแล้วก็เราก็มองถึงถึงเอ ย, ยกตัวอย่างเช่นเรื่องพระเวสสันดรเนี่ยปัญหาที่มันเกิดเนี่ย ปัญหาที่มันเกิดเรื้อรื้อไปเราจะพบ ว, ว่ามันก็เกิดขึ้นมาจากการที่นางอมิเตดาก็ดีโชคดีไม่เข้าใจว่าโลกนียมันเป็นอย่างนั้นเองเวลาใครทําดีเวลาคนอื่นก็ทําดีนั้นคนจะรู้สึกริษยาหรือแข่งดีนะริษยานั้นจะทําลายคนทําดีคนะรับริษยาจะไปทําลายคนทําดีโดยต้องการจะลดคนทําดีมาอยู่ระดับเดียวกับตัวเอง แต่ที่ตัวเองจะปรับตัวขึ้นไปหาเขาเพื่อให้ดีเหมือนเขานี่ไม่เอาฮะไม่ยอมทำแล้วก็ทําลายเขาให้มาอยู่ระดับเดียวกับเราก็เหมือนพวกนางพรหมณีทั้งหลายนะเดี๋ยไปเห็นนางมิเตดาเป็นพันญาที่ดีปฏิบัติหน้าที่เขาพันญาดีดูแลเอาใจใส่ในฐานะเป็นแม่บ้านแต่ที่จะปรับตัวเองก็ไปให้เหมือนนางมิเตดาไม่เอานะไปดา่านางมิเตดาเลยแต่ถ้าเขานางมิตรดาเข้าใจวันนี้คือโลกคือกระแสของโลก ซึ่งเราจะไปแก้ไขอะไรไม่ได้เราก็มาปรับปรุงตัวเราเองแตว่าแกก็แพ้นะฮะพ่แพ้ต่อกระแสะของโลกแล้วในที่สุดก็จะเอากัรหาชาลีมาเป็นเด็กแล้วแค่สมมติเราเอามาจริงเนี่ยหน้าที่ปัญญาแกก็ปกป้องแล้วทีเนี้ไม่ได้ทําแล้วไม่ได้ดูแลใจใส่แล้วไม่หุงหาอาหารแล้วนะฮะมันจะฝึกเด็กให้หุงําเองเลยฮทีนี้ก็เป็นคุณนาชี้นเนืนเอ้อไอ้ความปกป้องมันก็เกิดขึ้น หน้าที่ตัวเองเนี่ยจะไม่ได้กระทำนั่นคือแก้ปัญหาที่ผิดมันไม่ใช่วิธีทางที่ถูกต้องและในสุดไปดึงคนอื่นมาเดือร้อนวุ่มมนไปหมดเลยทั้งเรื่องนั่นก็คือแนวที่ท่างสอนธรรมะแต่มันเป็นรูปธรรมแล้วเพียงแต่เราไม่ได้คิดเองดังนั้นในกรณีนี้ก็คือการสท้อนธรรมการสอนธรรมคือจะไปคิดว่าสอนเรนสอนพระมันธรรมะก็คือธรรมะนะธรรมะก็คือธรมธ ร, รมะเป็นวิธีสอนทีนี้จะตั้งปัญหาถามว่าคํามมุสาเนี่ย มือสาวก็มีสองประเภทดางกล่าวแล้วหมายความว่าเกินจริงหรือไม่เป็นจริงอย่างนั้นหมายความวมาเกินจริงก็คือความจริงมันมีแต่เราพูดจะเกินนะฮเราพูดจะเกินไปมันเกิดขึ้นมาจากอะไรให้เราสังเกต น, นะฮะเกิดขึ้นมาจากความไม่รู้เกิดขึ้นมาจากความกลัวเกิดขึ้นมาจากความรักเกิดขึ้นมาจากความไม่ความโกรธนะฮนะ มันจะทําให้คําพูดของเราไม่ตรงตามความจริงเรื่องมางเรื่องในความจริงมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าคนทำมีอานาจมีอิทธิพลมากถ้าเราขืนพูดความจริงเราก็เป็นอันตรายนะฮะเราก็ไม่กล้าพูดจําเป็นต้องพูดก็พูดปรกเกลื่อนพูดนิดนิดเดียวหน่อยจะไม่ขยายนะแต่บางทีก็ไม่พูดเลยไม่พูดก็ดีนะ่จริงไม่ไม่พูดก็ไม่ถือว่าเป็นมุสาบานนะะมันต้องพูดออกไปก่อนเพราะเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่พูด เมื่อไรจะจะเห็นว่าเป็นภัยเป็นอันตรายเนี่ยเราก็ไม่พูดเสียแต่ว่าที่ปากมันก็คันนะอยากพูดอะอเลยก็พูดอะพูดทีนี้ก็กลัวก็กลัวนะฮะเลยก็พูดไม่ไม่เป็นจริงตามนั้นคือเป็นลดลงไปทีนี้บางทีคนคนนั้นะเราเกลียดนะเขาทาความชั่วเพียงนิดหน่อยนะเราแคจะละละเลงเทะเละเลยอนะพูดละเลงเทะเละเลย ขยายเพื่อต้องระบายนะเอาเรื่องส่วนตัวก็ไปเกี่ยวแล้วคือแทนที่จะพูดถึงการกระทํามันเอาความรู้สึกของเราไปพูดมันไม่ใช่การกระทําของเขาเห็นไหมเอาเรอก็ไปเกี่ยวข้องที่มันยุ่งเนี่ยคือเอาเรอก็ไปเกี่ยวข้องอย่างวิชาการอะไรๆในปัจจุบันเนี่ยที่มันมันไม่ค่อยมีน้ําหนักเนี่ยผมมีความเห็นอย่างนั้นผมคิดว่าอย่างนี้ผมเชื่อว่าอย่างนี้ผมเข้าใจว่าอย่างนี้อันนั้นมันคุณน่ะมันไม่ใช่หลักอะ่ะ หลักมันเป็นยังไงเรากดเกยมันเป็นยังไงในเรื่องตัเ น, นี้ทำให้วิชาการจึงไม่มีน้ําหนักแล้วท่านต่า ง, งหลายจะลองสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ที่จริงสื่อมวลชนโทรทัศน์อะไรเนี่ยนะเป็นวิชาการเยอะหน้าน่าศึกษามากเพราะเราเราไม่ต้องเสียเวลาไปค้นนะนะแต่เสียที่ว่านักวิชาการใจมันเอียงใจมันเอียงทําให้เราได้เนื้อแท้ของสิ่งเหล่านั้นไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์มันก็ถูกต้องบ้า ง, งนะนะแต่ว่าไม่ถูกต้อง เพราะว่าใจมันเอียงแก่งไปด้วยอำนาจตัวเองบ้างนะฮะโดยเงื่อนไขจะไปนอกบากเพราะงั้นให้เราสังเกตว่เาเวลาเราพูดความจริงที่เกี่ยวกับคนที่เราไม่ชอบถ้าความดีเนี่ยแม่มากเราจะพูดแต่น้อยแต่ความชั่วแม่น้อยเราจะพูดมากอันนี้ยุง่งเท็จตั้งสองเรื่องเลยตกลกเท็จตั้งสองเรื่องเลยพอถึงคนที่เรารักนะความดีแม้น้อยเราพูดจะมากเลย ความชั่วแม่มากเราจะพูดนี่เดี่ยนั่นคือพูดไปด้วยความรักก็แสดงว่าไม่จริงอีกไอ้ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนีคุณพูดน้อยไปนะคุณพูดมากไปทีนี้บางทีก็พูดด้วยความไม่รู้ก็แล้วแต่ไอ้แล้วแต่นะลมเพลยลมพัดว่าเรื่อยเลยพวกนี้จะไม่มีเหตุผลอะไรก็วันอาทิตย์ที่ยี่ห้าเนี่ยจะต้องออกโทรทัศน์จะต้องโต้กับกระทวกมหาไทยเสียหน่อ เขาบอกว่าพระกับครูในมีส่วนส่งเสริมให้เกิดโสเพณีขึ้นโดนพูดออกมาได้ไม่รู้จักอายเลยพูดออกมาได้ยังไงเหตุผลก็คือว่าพระไปรับเงินบริจาคจากโสเพณีมาตั้งปัญหาถามว่าเวลาโยมาทำบุญเราถามได้หรือเปล่าว่าโยเป็นโสเภณีหรือเปล่าถามได้หรือเปล่าฮะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะฮะ คนทำบุญเราไปห้ามก็ได้ยังไงโสเภณีก็ทําบุญได้เนี่ยพระอริยาสาวิก า, าเราไปโสเภณีเยอะไปอันดีโสเภณีเราไม่ได้บ่าอะไรนะมันเรื่องของเขาอะเรื่องของเรามันมีหน้าที่สอนก็ทําบุญมาคนละเรื่องกันนะนะคนละตอนกันกับตอนก็เป็นโสเภณีตอนตอนตอนเข้ามาวัดนะเก็ามาในฐ า, า, า, า, า, านะอุปัสสิกาก็เป็นได้มาในฐานะโสเภณีนี่นะถามจริงๆเราถามได้หรือเปล่าผู้ใหญ่เนี่ยถามในเงินนี้ขอรับชาติมาหรือเปล่ายมถามได้ปะ ถ้าจะไปรู้ได้ยังไงเคยเป็นโทเภณีไปเป็นโสเภณีแล้วมันเกี่ยวอะไสมมุติว่าโสเภณีเนี่ยเราปฏิเสธก็ได้ยังไงเก็ทําบุญอ่ะจะไปสอนพระโยมอย่าทำบุญเลยเพระโยมเป็นโสเินีอย่างนั้นเ่ยมันไม่ได้อะนะมันพูดออกมาได้ยังไงมาเอ๊งคนมันแปลกจริงเดี๋ยววันเนี้ยจะออกตัวรัดออกตัวถ้าจะมีอยู่สองสามประเด็นมันเต็มหลายประเด็นเลยเกินปัญหาตอนเนี้ยโยนก็หาศาสนาหลายเรื่องเลย นี่เราขาดความรับผิดชอบแน่นอนว่าเอถ้าพูดถึงเงื่อนไขปัจจัยพูดอย่างเนี้นะมันก็เหมือนกันอะไระเหมือนกับรถมันชนกันกลางถนนเนี่ยไม่ได้นะฮะต้องเอาพวกสร้างถนนมาติดคุกเลยถ้าคุณไม่สร้างถนนนี่รถไม่เกิอดอุบัติเหตุทีนี้มันต้องเอาพวกสร้างรถมาด้วยถ้าคุณไม่สร้างรถเนี่ยมันไม่เกิอดอุบัติเหตุนะพวกเครื่องยนต์กลไกก็ต้องจับมา ห, หมดเลยพวกขายน้ํามันก็ต้องจับมาด้วยพวกขายรถต้องจับมาด้วยพวกขับรถต้อเอาไว้หมดเลย เพราะมันเกี่ยวเนื่องกันทั้งนั้นนลยนะถ้าไม่มีถนนไอ้พวกข้างถนนก็บอกว่าผมสร้างถนนเฉยๆเนี่ยผมไม่ได้สร้างรถเนี่ยรถมันไม่ชนหรอกเนอ้าต้องเอาพวกสร้างรถมาด้วยมันไกลมูลกรณีมันไกลมูลกรณีเด็ก็เอาพูดอย่างนั้นได้ยังไงเราสมมติว่าปลายเ ต, เต็มทีแล้วนะที่ทว่าเขามาทําบุญเนี่ยมันปลายเต็มทีแล้วแต่อย่าลืมเขาทขําทบุญนะนะเขาทาบุญเนี่ยเขาไม่ได้ทําความชั่วอะไร ประโยชน์ให้พระกับครูแเวนกรรมจริงๆอะไรไอ้ น, นี่เราหลบประเด็นของปัญหามันเป็นเรื่องของโมหะคือความสำรู้ไม่จริงนะแต่ถ้าพูดได้ชัดๆแล้วเนี่ยมาก็เคยพูดกับพลเอกจวลิงกรก็นั่งคุยกันไปจากกรุงเทพถึงกรุงวงมาไทยไปถึงลาดหลุงแก้เลยนั่งคุยกันปนัญหาแล้วเนี่ยบอกคุณอย่าลืมนะฮะว่าทุกชีวิตในบ้านนี้เมือง น, นี้คือราชฎน ราษฎรนั้นอยู่ภายใต้การดูแลบำบัดทุกความรุกสุบรุงสุขของกระทรวงมหาดไทยบ้านกระทรวงมหาดไทยคือกระทรวงหลักเลยจะเป็นครูก็คือราษฎรเป็นพระก็คือราษฎรเป็นชาวนาก็คือราษฎรเป็นหมอก็คือราษฎรเป็นทหารก็คือราษฎรเห็นไหมฮฐานะจริงๆเนี่ยเราคือราษฎรเท่านั้นเองเพราะราษฎรมันก็อยู่ภายใต้การดูแลของใครก็คือมหาดไทยเพราะนั้นมหาดไทยเนี่ต้องรับผิดชอบต่อราษฎรราษฎรเป็นโสเภณีมหาดไทยต้องรับผิดชอบ ผู้ใหญ่บ้านไม่รู้แต่ว่าเด็กในในหมู่บ้านตัวเองเนี่ยเป็นรุ่นสาวขึ้นมากี่คนเอามานั่งอบรมทางสอนฝึกความรู้ฝึกปี๊ปฝีมือให้เธอไปทํางานสิมาสั่งสอนเสียก็พูดกับแม่กแ ต, ต, ต่ตอนตอนต้นๆอ่ะเอาแม่มาสอนด้วยก่อนเอาพ่อมาสอนเลยก่อนมีไม่กี่คนในหมู่บ้านหนึ่งอ่ะมันขาดความรับผิดชอบวันนั้นเลยวิเคราะห์ออกันเยอะนะไปนั่งพวกมีพวกกทิดนีนั่งหลายคนมาถามว่าอไอ้ y y y y y. ไอแผ่นดินตรเนี้ใครรับผิดชอบปรเดีย๋ยวที่ประดีย๋ยกรมที่ดินนั่งแกบอกกรมที่ดินอคลองในี่ใครรับผิดชอบกูเจ้าท่าอ่ะกรมชนประธานปะ่ะแล้วทําไมคุณปล่อยผักตบเต็มคลองได้ก็สแสดงว่าทั้งในอำเภอทั้งพวกชนประธานต้งรับผิดชอบกูเจ้าท่านนี่ต้งรับผิดชอบคุณไม่รับผิดชอบถ้าแต่ละฝ่ายหมู่บ้านรับผิดชอบมันก็เชื่อมกันหมดทั่วประเทศแล้วใช่ไหม หมู่บ้านที่หนึ่งก็รื้อผักตบไ ป, ปหมดหมู่บ้านที่สองก็รื้อมู่้านที่สามก็รื้อมัน ก, ก็ไม่มีผักตบแต่นั้นเองแต่ไม่เรื่องของความใหรับใช่ไหบแต่เนี่ยมันมันมันมันมันเกิดขึ้นเนะะีไยคือใจมันเองีงแล้วเสร็จแล้วก็โยนลูกไปเพื่อนนะฮะโยนลงวัดทุกทีเลยไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามอาชญากรรมเกิดมากก็โทษวัดเด็กเยาวชนไม่เรียบร้อยก็โทษวัดนะโทษวัดทั้งนั้นหลยโทษพระตั้งตั้งไหนแต่อะไรมา เรียกว่าอะไรปล่อยหางเขาวัดไอ้แย่จตัดหางเขาวัดตารางปล่อยวัดอะไรๆก็ตัดหางประวัตินั้นๆคืออะไรคือใจมันเองเพราะเรื่องที่พูดเลยไม่จริงเลยไม่จริงไม่ใช่เป็นเรื่องจริงมันอาจจะมีส่วนนะฮะแต่ว่ามันไกลามากๆนลยไกลพอๆกับคนสร้างถนนนั่นแหละฮะไกลพอๆกับคนสร้างถนนเวลาเกิดอุบัติเหตุถ้าคนสร้างถนนติดติดคุกด้วยพระก็ควรจะผิดด้วยนะฮะพระควรจะผิดด้วย เพราะงั้นใจที่จะพูดเรื่องเรื่องเหล่านี้เราจะเห็นว่าเป็นใจที่รู้เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นใจที่มีความเมตตาหวังดีนะจึงพูดเรื่องที่เป็นคําสั์ ก, กันจริงได้เพราะงั้นพระเจ้าก็มาเน้นย้ําที่ตรงนี้เพื่อให้ประหุนคิดจักระลาจักระลาในน้ํานะจักระลาในน้ำสนะามช่วงนะกระลามีน้ํำครึ่งหนึ่งกลาน้ําที่ถูกสาดทิ้งไปนะกระลาที่พ่้ามออกไป แล้วต่อมาก็ทงสอนให้คิดให้คิดนะ่ะให้คิดจากตัวแล้วทีนี้ยนเะมื่อก่อนเราคิดจากกลาเมื่อก่อนเราคิดจากตัวว่าเราหุนเธอจะทําอะไรก็ตางเธอต้องคิดเธอจะทําทางกายก็ดีจะพูดทางวาจา ก, ก็ดีหรือแม้จะคิดในใจก็ดีว่าผลจากการกระทําต่อไปเนี่ยสิ่งที่เราทําเนี่ยต่อไปมันเป็นยังไงผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําเราเนี่ยเป็นการทําความเดือดร้อนแก่เราไหม เบียเบียนคนอื่นไหมหรือเบียดเบียนทั้งตนอื่นและตัวเองเราไหมถ้าเป็นงั้นมันจะต้องมีทุกข์เป็นผลมีทุกข์เป็นวิบากเธอต้องงดเว้นได้เธอสอนยาวนะพระพุทธเจ้ายกมาทีละข้อทีละข้อทีละข้อทีละข้อยกมาละเอียดนะพูดกับเด็กนะพูดๆกันซ้ำๆไปยกมาทางกายกรรมก็ยกมาบริเอยก็ให้ก็ใคิดอย่างเงี้ยแล้วพูดพูดโดยสรุปก็หมายความว่าความชั่วสามทางทางกายทางวิชาทางใจให้มองตัวของมัน ให้มองผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำจากการพูดจากการคิดซึ่งมีต่อเรานะดูที่เรากระทบไหมกระทบเดือดร้อนไหมเพราะยังไงเวงไงเราก็ต้องทำทางกายทางวาจาทางใจอยู่แล้วว่าคนอื่นละ่ะเดือดร้อนหรือเปล่าอย่าคิดเฉพาะเราต้องคิดถึงคนอื่นด้วยเพราะเราเป็นสมาชิกของสั้งกลุ่มทีนี้บางที่ที่มาจะเดือดร้อนทั้งเราทั้งเขาก็ต้องคิดต่อไปถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะมีความ เสื่อมเป็นผลต่อไปนะมีความทุกข์เป็นผลต่อไปมีการถูกตําหนิที่เทียนมีการถูกจับกุมกุมกลางลงโทษก็ว่าเป็นแถวไปนะฮะจนถึงก็ตกนรกหายไปเลยมันเป็นกระบวนการมันเป็นกระบวนการของแต่และเรื่องมลาลักษณะของการเลื่อนไหลต้นน้ํามันอยู่ทางประเทศลาวนะฮะไหลลงมาเป็นแม่น้ํานั่นเนี่ยมันเชื่อมต่อกับลาวเห็นไหมมันก็จุดเริ่มเริ่มต้น้ําก็ไหลมันรื่อยไอ้สิ่งนั้นหลายมันจะไหลแนวนั้น เราจะลืมว่านารกสวรรค์เนี่ยที่จริงมันเป็นผลของปัจจุบันคือความดีความชั่วที่เราทำแต่ถ้าเรานึกถึงนรกสวรรค์ไปด้วยเนี่ยทําให้เรากลัวความชั่วทั้งในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าว่าไม่ใช่เรื่องประเดี๋ยวประดาวแต่เป็นเรื่องยืดเยื้อยาวนานต่อไปมันก็เหมือนกับเราไปสะสมเชื้อโรคอะไรเอาไว้สุขภาพภารณาไม่ปกคร้องในตอนเราเป็นหนุ่มแข็งแรงสุขภาพมันก็พออยู่ได้อะนะแต่ว่า ร่างกายเราจำนวนส่วนพวกนี้มันมาเล่นงานอราตอนหลังปัญหาถ้าเราป้องกันเราต้องป้องกันในปัจจุบันไม่ใช่ไปเยียวยารักษากันตอนแก่แล้วแก่แล้วมันก็เอามาอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือสิ่งทั้งหลายมันเป็นระบบมันเป็นปัจจัยการมันเป็นเหตุปัจจัยที่หนุนกันปัญหาสำคัญว่าทํำยังไงจึงจะมองเชื่อมได้โดยเจ้าสอนให้เราหุูมองเชื่อมนะมองเชื่อมจริงมันก็เชื่อมตั้งแต่กระลามาแล้วนะฮะตั้งแต่กระลามาแล้วก็เชื่อมไป ว่าต่อไปเนี่ยตรงนี้เธอก็ทําความชั่วในการพูดเท็จต่อไปเนี่ยเธอจะทําความชั่วอย่างอื่นมาเริ่มจุดตั้เริ่มต้นเนี่เธอพูดเท็จเมื่อเธอพูดเท็จได้เธอก็พูดคำหยาบได้เธอก็พูดเดีวไหลได้เธอก็ฆ่ากขาได้เธอก็หลอกลวงได้อะไรกูว่าเป็นแถวไปเลยให้คิดเป็นเป็นกระบวนที่จริงมันก็เหมือนเหมือนทั้งหมดนฮะเหมือนกัน จากการจะค้าขายการจะลงทุนอะไรก็ศึกษาข้อมูลมองภาวะตลาดมองทุนมองคณะร่วมงานมองมองอะไรแต่ไรมองผลกําไรว่ากี่ปีกี่ปีจึงจะได้อะไรแต่นั้นก็มองมาทางระบบแต่ยังอื่นเรามองได้เพราะเรื่องบาปไม่ยอมมองไงนะมันช้าใจตอนนี้เองเรื่องบาปเรื่องบุญไม่ค่อยยอมมองว่าที่จริงมันมันเป็นกระบวนการเหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีลักษณะบุญนะฮนะจะมีลักษณะสร้างสรรค์ลักษณบาป มันจะติดตามเราไปแล้วก็ทําความเดือดร้อนจนถึงชาติหน้าพบหน้าเป็นต้นไปเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่มองให้เป็นกระบวนเพอมองเป็นกระบวนมันก็เกิดการระมัดระห ว, ว, ว่างการตารวจว่าไปเรื่องนี้เ ป, นเป็นการการะทำประเดี๋ยวประดาวนิดเดียวเองนะนิดเ อ, เองเห็นว่าฆ่าคนในยิงเปี้ยงเดียวนะแต่ว่ายืดเยื้อะลึกเกินนะกว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะอย่างเหมือนกับข่าวใหญ่ที่ เตุการณ้องเมืม่อวานนี่ยนะะเรามองในด้านบุคลากรเราเสียดายบุคลากรอ่ะบุคลากรขนาดนี้ที่จริงก็หายา ก, ก น, นะแต่ว่าความรู้ดีความคิดดีความสามารถดีนั้นจะต้องเป็นคนดีนะจะต้องอยู่ที่คนดีแต่ถ้าไม่อยู่ที่คนดีแล้วมันจะมีปัญหามากเพราะพวกพวกนี้ใช้บวกก็ได้ใช้ลบ ก, ก็ได้ เกิขึ้นอยู่กับใครใช้นะฮะอย่างเคยยกตัวอย่างเหมือนระเบิดวารอนูก็ใครใช้ระเบิดวานูเองเนะฮะมันก็เป็นกลางกลาใช้ในทางสันติก็ได้นะฮะใช้ในทางกํพลังไฟฟ้าอะไรแต่อะไรก็ใช้เยอะนะแต่ใช้บอมกว่าอื่นก็ได้ใช้ฆ่ากว่าอื่นก็ได้อีกเออเพราะงั้นมันก็อยู่ที่ใครใช้ความรู้ก็ดีความคิดก็ดีความสามารถก็ดีมันเป็นกลางๆงเราจะเห็นว่ามันก็มีความรู้ถูเอ่อรู้ถูกรู้ผิดความคิดบางคิดถูกคิดผิด ความสามารถมันก็สามารถในทางสร้างสรรค์สามารถในทางทำลายมันก็ทำได้ทั้งสองอย่างอนะแต่จะว่าเขาไม่สามารถไม่ได้นะเขาก็สามารถดังนั้นจะต้องมีพื้นฐานทางคุณธรรมที่จะรับผิดชอบตัวตัวเองรับผิดชอบต่อกคนอื่นรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อเนื่องไปจากนั้นแม้ว่าก็เป็นตราบาปตราบุญแต่เป็นความดีมันก็เป็นตราบตราบุญที่จะติดต่อไปถึงลูกหลานเหรนยญหือ คนนี้เป็นลูกหลานของวีรชนคนนี้เป็นสืบเชื้อสายมาจากพระพุทธเจ้าอย่างเนี้ยอย่างอย่ ง, อ ย, งอย่างชาวพุทธให้เกียรติแก่พวกสากยะพวกสากิยะในปัจจุบันเสิพระที่ติดตามสมเด็จดุลโอมนะอนินมาณองค์งสูงๆนะนั้นพวกสากยะนะฮะสัยกยะพวกราชวงศ์พวกพวกเชื้อสายสายาักยะแต่ว่าช่วงที่ตะไรไม่รู้ช่วงตะปันสองปันได้ไหมก็ ก, ก็ก็คนยังนึกเชื่อมไปที่พระพุทธเจ้า ย น, นึกเชื่อมมาทุกพระพุทธเจ้าเออนี่เขาเชื่อสายของพระพุทธเจ้าก็ปลายแถวมารีบโลกันนะฮะมันก็สืบสืบไปเรื่อยๆมันเป็นเป็นวงนะฮะแต่ว่าสายไหนก็ไม่รู้ได้ทั้งไปนะสายพระพุทธเจ้ามันหมดแล้วนะแต่พระพุทธเจ้ามันก็ขาดไปตั้งแต่ประราหุนบวชแล้วก็อันนี้ ก, ก็คือก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากคนรุ่นก่อนเขาสร้างไวนะ้เด็กรุ่นใหม่ก็รับเป็นมรดก เป็นทายาทกรรมของบรรพชนทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีการมองเป็นระบบถือว่าจะช่วยให้เกิดความรับผิดชอบคือมองกลับไปที่ตัวเองจะไม่ตามใจตัวเองเกินไปจะไม่นึกถึงตัวเองต้องนึกถึงคนอื่นด้วยเพราะเราเป็นสมาชิกของของครอบครัวของสกุลของสังคมของประเทศของชาติของศาสนาเนี่ยมันก็ต้องนึกนกให้มากๆหน่อยนึกถึงคนอื่นไปบ้างเรียกว่าเห็นแก่นะ อยางน้อก็เห็นแก่คนนั้นเห็นแก่คนนี้เห็นแก่คนโน้นเห็นแก่เห็นแก่มากๆแล้วก็ดีนะเราจะเห็นว่าเน่ยในวิญญาณที่ตัวห้ามใจนะนึกถึงตระกูลนึกถึงวัยของเรานึกถึงการศึกษาของเรานถึงพ่อแม่นึกถึงปู่ย่าตายายนึกถึงสถาบันนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงอุปชานึกถึงศาสนานึกถึงศาสนามันนึกนนึกไปเรื่อยๆนะ มันไม่เห็นแก่คนนั้นก็เห็นแก่คนนี้คือคือคล้ายๆเราจะตกน้ํานะเชือกมันอาจจะขาดหลายเสน้นในเชือกโยงอยู่หลายเสน้นคือเชือกอื่นมันมันมันมันช่วยดึงไว้ได้เพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงตัวเองกับคนอื่นไว้มากๆเนี่ยมันจะช่วยให้เกิดความรับผิดชอบอย่างน้อยตอนตอนเ น, นี้ยเราเนะี่ยไม่มีอะไรแล้วนะเรียกว่าเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่เราก็ไปเกี่ยวข้องคนอื่นเพราะนคนอื่นจะเสียเพราะฉะนั้นก็ เราก็ไม่เดินหน้าต่อไปคืออย่าไปทําต่อไปแต่ประการต่อไปก็ส่งให้มองในในเรื่องความความดีนะอันนี้กูย่ามเหมือนกันนะพูดย่ามเหมือนกันแต่โดยสรุปนะฮะโดยสรุปว่ให้มองกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมคือความการกระทําทางกายก็ตามการพูดออกมจากก็ตามการคิดทางใจก็ตามก็ดูซิว่าเมื่อทําไปพูดไปคิดไปมันจะเป็นการเบียดเบียนตัวเราไหม เบียดเบียนตัวคนอื่นไหมนั้นคิดถึงคนนะะเราจะเห็นว่าผู้กับปราหุ่นก็คือว่าพูดง่ายๆนะเพราะอะไรอะไรมันก็กระท้อถึงคนที่ก็เบียดเบียนตั้งตนเองและบุคคลอื่นหรือไม่ถ้าเป็นอย่างถ้าไม่เบียดเบียนนะฮะไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นไม่เบียดเบียนตั้งตนเองและบุคคลอื่นแสดงว่ามันมีความเจริญเป็นผลมีความสุขเป็นผลนะมีความสุขเป็นปีปากแล้วก็ว่าเรื่อยไปจนโนนะฮะไปจนถึงนรกไปไอ้บรรดาไปจนถึงสวรรค์ะ เราก็สืบเนื่องมาจากตรงนี้ก็ทํานองที่เราพูดกันว่ารถน้ําที่โคนได้ไปออกดอกออกผลที่ปลายเพราะมันมีความต่อเนื่องกันของต้นไม้ทั้งต้นนั่นแหละเราก็ทําตรงไหนก็ได้มันก็เตือนนะฮะไปตัดที่ยอดมันก็เตือนข้างล่างรถน้ําข้างล่างมันก็เตือนไปถึงข้างบนหรือไปใส่ ย, ยาพิษข้างล่างเข้ามันก็เตือนไปถึงข้างบนนะนั่นก็คือสิ่งทั้งหลายกระบวนการธรรมชาติมันเป็นระบบ มันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปเป็นเรื่องกิริคิยาปฏิกิยาที่ทยอยกันไปก็ก้อยมองในแนวนี้คือมองสุขเป็นผลมองที่ตัวสุขเป็นผลและต้องทำแต่มหมายความว่าไม่ได้มองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่คงคล้ายๆกับความตอนนี้กําลังเรียบเรียงเรื่องรู้รักสามัคคีนะก <g ül> ็เราจะเห็นว่าไอ้ตัวตัวสามัคคีเนี่ยเราต้องรักคนที่สามัคคีด้วยคือชื่นชมกับความสามัคคีที่มีอยู่แล้ว มันเหมือนกับเราชื่นชมคนที่มีความรู้ชื่นชมคนที่มีสถานะผู้ชื่นชมคนที่มีความดีนะแล้วเรารักตัวนั้นนะก็ทําให้เรารักคนนั้นเรานับถือคนนั้นแล้วเราก็จะดิ้นรนเพื่อเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องรักตัวความสำคีแต่ความสาคีย์ที่จริงมันเป็นผลซึ่งมาจะาเหตุนะฮะมาจะเหตุอีกทๆหนึงเพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นอย่างที่เคยบอกว่ามันจะเป็นผลได้ะจะเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เป็นเหตุ อันนี้สอนพวกลูกศิษย์เมืองนอกมาอยู่หลายองค์นะฮะสอนก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเวลาจานว่างกัไปแน่บางทีตอนเชา้าบางทีตอนบ่ายบางทีตอนรัวครับก็กแล้วแต่อาจารย์จะว่างก็รู้สึกพวกนี้ความคิดต่างไปเทเรื่อยๆก็กๆมักจะอ้างพระเยซูคงไปเรียนมาจากพระเยซูมา ก, ก น, นะฮะพูดไปพูดมาว่าติงทั้งหลายมาจากเหตก็นั่นบอกบอกคุณสาวๆไปเรื่อยคุณจะเจอพระเจ้าไม่มีเหตุที่จริงพระเจ้ามันต้องเป็นผลนะฮะพระเจ้าต้อง ต้องเป็นผลปัญหาว่าอะไรเป็นเหตุของพระเจ้าทีนี้ถ้าพระเจ้ามาจากเหตุพระเจ้าก็ไม่ใช่ที่มาต้นเหตุของสรรพสิ่งแต่ถ้าถ้าพระเจ้าเป็นเป็นผลแล้วผลมาเกิดขึ้นมาได้ยังไงทำไมมีเหตุมันก็มั่วตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะบอกว่ามันมั่วตั้งแต่ตรงนี้แล้วเพราะไอ้พวกนี้ก็เรียนวิทยาศาสตร์มาพูดก็ ง, ง่ายนะพูดก็ ง, ง่ายอธิบายลักษณะของกระบวนการปฏิกิริยาตามธรรมชาติที่ทยอยขึ้นมาก็พูดง่ายนะอธิบายกันไม่ค่อยยากอะไรเท่าไหร่ะ ไปยกตัวอย่างเทียบเคียงให้ดูแล้วจะเกิดความเข้าใจเพราะงั้นไอ้ตรงนี้เราจะเห็นว่าพุทธเจ้าทรงให้ดูที่เหตุให้ดูที่เหตุแล้วผลนั้นจะต้องอนุมานได้ต่อไปเป็นอย่งๆๆังไงยังไงทีนี้เราทำยังไงล่ะก็ให้ดูตัวอย่างนะก็มาสอนดูตัวอย่างว่าราหุนเธอดูตัวอย่างคนคนดีในอดีตนะฮะคนดีในอดีตคนดีในอดีต ท่านจะทําเพื่อชําระกายชําระวาจาะำระใจให้บริสุทธิ์หมายความเป็นไงฮะคําว่าปกติสามัญชนกายมันก็ไม่เคยสะอาดกายกรรมเกี่การกระทําทางกายนะพี่จ๋าในตัวกายมันก็ไม่สะอาดอนะฮะแต่เราก็ใช้วิธีอาบน้ําวิธีอบน้ําหอมวิธีพรมน้ํำหอมเอาอะไรกัหลอกๆกันไปเรื่อยๆก็แต่ความไม่สะอาดในการกระทํามันมีแต่ท่านมองเห็นว่ามันเป็นโทษ ความไม่สะอาดทางวาจามีถ้าก็มองเห็นว่าเป็นโทษความไม่สะอาดทางใจถ้าก็มีถ้าก็มองเห็นว่าเป็นโทษแล้วท่านก็ชําระชาระก็คือลดความรุนแรงขจัดสิ่งโสโปรกล่านั้นออกไปแต่หมายความไงหมายความวาเราต้องรู้มันสกปรกก็เหมือนกับเสื้อเนี่ยฮะคนบางคนก็ใส่ครั้งสักครั้งแต่คนบางคนก็ใส่กันจนขึ้นราขึ้นแล้วขึ้นเห็บแกไม่เห็นมันโสโครกกนะันเะเห็นมันสโปรก บางคนอย่าพวกกรรมกรเดี๋ยก็ทํางานเนี่ยฮะเสื้อตัวเก่งของเขาเนี่ยเขาไม่เคยซักเลยนะไม่ซักเลยแต่งตัวมาเรียบเลยพอมาถึงการทำงานก็เสื้อตัวตั ว, ต, วตัวเก่งนะฮะมาใสา่แล้วก็ใส่กันจนขาดแล้วขาดอีกแล้วขาดอีกแล้วไม่ซักก็แต่ดตังเขาไม่รู้ว่ามันก็ไม่เห็นว่ามันจกับจบมาอย่างนึกถึงหมอนเนะนียเมื่อคืนเป็นหมอนหมอนหมอนระบับบางคนในสะอาดหน้านหนุนอะบางคนเนี่ตั้งแต่มีหมอนมาไม่เคยซักมันเลยนะ ขี้ผมขี้มันขี้คลายติดผมแล้นั่งขูดออกขูดออกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นก็เรียกว่าตายกะที่เลยอันนี้แกไม่เห็นว่ามันสกปรกนะฮะแกไม่เห็นว่าสกปรกหรือว่าเห็นว่าสกปรกแกก็ขี้เกียจแกก็ไม่กล้าหนุนมันกลิ่นไม่ดีแกก็ผ้ามาทับไปอีกเที่ยวหนึ่งทับแกก็หนุนเฉยฮะดึกๆกลิ่นมันก็ออกมาต่อไปแกก็ไม่รู้แกหลับแล้วเนี่ยนะครับและอันนี้ก็คือก็คือปัญหาสำกัญเราเห็นว่าสกปรกหรือไม่แต่เราไม่เห็นสกปรกเราก็ไม่ขาดเก่า เราก็ไม่ชำระแต่ถ้าเห็นว่าสกปรกเราก็ชำระดังนั้นจงนี้มันก็อยู่ที่ใจที่มีความรักความสะอาดเจ่ะไหมฮะใจที่รักความสะอาดสาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจยินดีพอใจชอบใจในความสะอาดเพราะงั้นแม้สกปรกนิดหนึ่งก็ไหวแล้วนะพวกนี้เพราะงั้นคนบางคนในบ้านเขาเรียบเลยสะอาดมากนนแสดงว่าใจรักความสะอาด แล้วก็เห็นความสกปรกไม่ไดนะ้แต่บ้านนั้นก็พอทำเนานะฮะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่อะไรเท่าไรหรอกแต่ถ้ารักษาไว้สะอาดดีมันก็ดีในที่นี้เน้นไปที่เรือนกายเน้นที่เรือนกายเรือนวาจาร์แล้วก็มาสะท้อนมาจากเรือนใจเพราะว่าจาร์จริงๆก็คือกายนะั่นเองท่านยังพูดแค่เรือนกายกับเรือนใจนะเดี๋ยวมันจะสงสัยแล้ววาจาวาจางก็กายนะครับประมงการเปล่งโดยปากต้องเปล่งโดยปากคือท่านท่า น, ท, านท่านเราจะพบว่า พระวุทธเจา้าในช้น้อยเวลานี้อมันใช้มากวันก่อนใ น, นประชุมพระพา ม, ามหมาไปเจลัยมันก็มีอุดมการณ์ในการทํางานวัตถุประสงค์ในการจัดมาไว้เจริญนี่ก็ร่างมาสิบข้อแล้วก็พยายามย่อให้เป็นมงคลเก้าข้ออะไรต่ออะไรเขาไปรู้นะแต่มาอ่านแล้วมาก็ว่าในที่ประชุมผ ม, มพลความมันเยอะเนี่ยพลความมันเยอะเป็นพัปราษาลีเกยเยอะนะฮะ กลาถึงมูลนิธิฤษีดาบทองค์พระนครประสิทธาว่าแล้วพระก็เดินพระก็ดําเนินพระก็ใครายคลาผูดกันตั้งนานะได้สองคำเองฤษีเดินพูดไปทําไมเขาไม่พูดมากอย่างนั้นนะภาษากฎหมายเยเขาจะพูดน้อยๆแต่อีกินความมากๆอีกินความมากๆแล้วคนยังไม่รู้สึกวุ่นมากแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยมันก็ปฏิบัติไปแล้วเขาก็สปัดผลไปแล้วก็เขาก็ไม่รู้สึกว่นมากเหมือนกันเราจะเห็นว่าหัวใจพุทธศาสนาพระเจาใช้ชคำสามคํา การไม่ทำบาปทังป้งปวงการทำกุศลที่สมบูรณ์การทำจิตอิปปองแพร่เอตังพุท ธ, ธานศ า, าสนางนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นนิดเดียวแต่บาปทั้งปวงนะอย่าลืมนะบาปในทั้งปวงนะั้นนิดเดียวก็ไม่เอาอะนิดเดียวก็ต้องเลิกเนั่นคือวิธีพูดคนฉลาดเนี่ยเขาไม่พูดมากฉลาดก็ไม่พูดมากก็จะเอาความเอาหลัก ม, มาพูดเอาไว้ในภาคปฏิบัติก็จะไปนะ เพราะงั้นตัวอย่างมันก็มีคนว่าคนเหล่านั้นทำไมท่านเองชื่อว่าเป็นนักปราชญ์ชื่อว่าเป็นบัณฑิตชื่อเป็นวินยูชนตายไปตั้งนานแล้วคนนมายกย่องกันเพราะท่านชำระกายกรรมของท่านให้บริสุทธิ์เพราะท่านชำระวจีกรรมของท่านให้บริสุทธิ์เพราะท่านชำระมโนกรรมของท่านให้บริสุทธิ์แตัย่าวบริสุทธิ์จากอะไรบริสุทธิ์จากการฆ่า ทุจริตต่อทรัพย์ต่อผู้ครองการพูดเท้นผุดโสเสียดผู้คำหยาบผูดเดียวไหลความโลภอยากได้คนอื่นพยาบาทฟ้องร้ายคนอื่นการเห็นผิดจากคำนองของธรรมชำระมันไปเรื่อยๆนะเกิมันก็สะอาดขึ้นไปเรื่อยๆแหละไม่ใช่รวดเดียวนะครับก็เหมือนกับการซักผ้าเหมือนการถูกพื้นไม่ใช่รวดเดียวแต่มันก็เพิ่มความสะอาดขึ้นไปในขณะที่ความสะอาดเพิ่มความ ตัวก็ปรับของก็ลดลงไปนะฮะแคก็เย็นเพิ่มแล้วก็ลดลงไปนะฮะสว่างเพิ่มมือก็ลดลงไปอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสูตรของธรรมชาติของมันแล้วก็แม้บัณฑิตในปัจจุบันทึงหมายความคนเหล่า น, นี้พระราหุนนา่นทะ่านรู้จักเยอะนะคนเหล่า น, นี้เป็ราหุนน่นท่านรู้จักมีคนชืน่นชมยกย่องนะท่านเหล่านี้ก็เหมือนการเราหุน่นเขาชําระกายเขาชาระวา จ, จาเขาชําระใจ และแม้แต่คนดีต่อไปในอนาคตซึ่งหมายความว่าเราขุนเราก็อยู่ในอนาคตแล้วนะที่จะมีในอนาคตแล้วไม่ใช่มีในวันนี้แต่มีในวัน ต, ต่อไปมันก็เกิดขึ้นมาจากการชำระ ก, กายชำระวาจาชำระใจโดยดูความสกรปรกจุดที่สกรปรกนะะก็จชำระไปทไปําไปเรื่อยๆขัดเกลีไปเรื่อยๆธรรมะจึงเป็นสันเลขานะฮะเป็นเครื่องมือในการขัดเกลี ประหุนก็รับฟังว่าดนะ้วยความเคารพมีความสนใจตั้งใจเอวุฒิเจ้าท่านก็สอนเนี่ยเกิดมาอยังยังนึกว่ามันจะนำโยมมาดูด้วยวิธีที่เจ้าสอนเรลาหุนนะตั้งก็โตขึ้นไปเรื่อยๆนะโตไปเรือยๆตอนนี้ก็เจ็ดแปดขวบก็สอนอย่างเงี้ยสอนอย่างเงี้ยสอนให้มากมีตัวอย่างบุคคลตัวอย่างที่เป็นตัวบุคคลที่เคลื่อนไหวที่พระหุนได้เกิดได้ยินได้ฟังได้รู้ แล้วก็อนาคตก็อนุมานเอานะอนุมานเราจากคนในปัจจุบันอําคนคนในอดีตที่ท่านรู้จักคนในปัจจุบันที่ท่านเคยประทุกขเห็นอนาคตเป็นอย่างไม่เกิดก็อนุมานเอาน้ําในกลาตัวอย่างชัดมากนะในกลาก็ดูเห็นไหมว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนในศาสนาพุทธเนี่ยมาหาศาลนะฮะแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ฉลาดคือหยิบอะไรขึ้นมาก็ได้มันทําไมต้องขอบ เดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ในสมัยเนี้ยเรื่องสื่อการเรียนการสอนนี่มั่วไปหมดเลยลงทุนเยอะเป็นหลายสิบล้านหลายร้อยล้านนะเป็นพันพันล้านใ น, นกระทรวงศึกษาธิการขอทําสื่อการเรียนการสอนเนี่ยคือแสดงว่าไม่สามารถจะใช้อะไรได้คือปากกาอันเดียวเนี่ยถ้าเราสอนเป็นใช้สื่อได้เยอะแยะเลยปากกากระช๊อกอันนี้ว่าช๊อกอันใ น, นกระดานแพรนี่เราใช้สื่อได้เยอะเยอะแล้ว หรือดอกไม้ดอกหนึ่งสือเล่มหนึ่งเนี่ยใช่สื่อคือค่าอะไรแต่โรงเรียนมันมีสื่ออยู่เยอะเนี่ยมีเสามีคือมีแปรมีผ้ามีเพดานมีไฟมีอะไรแต่ใช้มันตรงนั้นแหะเป็นสื่อไม่ต้องเปลืองตังคนะแล้วก็ใช้ให้เป็นก็หยิบมาในแต่กรณี้กรณี้กันกนีนะ้เด็กก็มองผ้าปืดปืดปืปไปถึงเห็นยังยังอามาไปอบรมทหารเนี่ยมาถืออบรมทหารก็อะไรที่มันอยู่ใกล้ติดตุก็พูดตรงนั้นเน่ยนะ ถาหารในเจ้าของคาขวัญเนี่ยนะคําขวัญตั้งแต่ค่ายเลยนะข้าวในต้นไม้ก็มีแต่คาขวัญเพราะนั้นเทศทหารในเทศปีหนึงไม่ต้องหาหัวข้อจากไหนทหาในนั้นเนีนะตรงไหนที่แกมองได้เห็นชัดเราก็พูดข้อนั้นเลยส่วนมากมันจะอยู่ที่ที่เนี่ยที่ม่านที่มา่านเนี่ยขนางนเยอะเลยนะระเปียปีในกราหารันสามคัคคีเสียสละอะได้ัวอะไรเนี่ยนะเราก็หยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาก็แล้วแต่ว่า หารระดับไหนเราก็ยืมมาสักข้อสองข้อเนี่ยนะฮะส่วนมากจะใช้ข้อเดียวใช้ข้อเดียวนี่ก็คือวิธีพุทธวิธีในการฝึกคนในการสอนคนที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือคนต้องนำไปตรวจสอบพิจารณาแล้วก็มีการชำระในส่วนที่ไม่ดีเนเะพิ่มพูในส่วนที่ดีซึ่งก็เป็นวิธีของพุทธ ท, ที่แต่ละคนก็สามารถสัมผัสได้สำหรับวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูในธรรมจงมีแด่ท่านสาธาชนทั้งหลายโดยตัวการทุกท่านเธอ